นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางเพียวธรรมะ .com อัลมาพระไบบูลนพ่บุญ โ, โนจากวัดป่าดอนไนโศทุกสัปดาห์ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังพร้อมกับคุณหมอนัทพง์ครับสวัสดีครับกับผมธัทนทแพทย์นัทพง์กระดกวิรุณครับวันนี้นตอนนี้เป็นตอนที่สามสิบสี่คเป็นสาแล้วก็ทุกสัปดาห์เราก็จะมาไม่เคยขาด ในแต่ละสัปดาห์เราก็จะได้พูดถึงเรื่องธรรมะในแบบต่างๆซึ่งวันนี้ก่อนที่เราจะไปเราจะติดค้งเรื่องอะไรท่านผู้ฟังอยู่นะครบคุณมารดาธพงศ์เรื่องสติในอาณาปณะสตินะครับออแล้วเราก็ได้พูดถึงกรรมเก่าของพระอรหันต์ในลักษณะที่ว่าทําไมถึงให้ผลไม่ได้ด้วยใช่ไหมอันนี้ก่อนที่จะไป<ๆ>ถึงเรื่องกรรมเก่านั้นก็จะมาพูดถึงเรื่องสติก่อนในตอนที่แล้วเราพูดถึงแบบตะขอ ซึ่งจริงๆต้องทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทราบอย่างนี้ว่าไอสติเนี่ยนะที่แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเอาผู้ที่ชาแปลเองดีกว่าผู้ชาแปลว่าความระลึกได้นะคือระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดแล้วแม้นานได้คือระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดแล้วแม้นานได้เพราะฉะนั้นมีสติอยู่ในลมหายใจคืออนามานาสติเนี่ยก็หมายความว่าให้เรามาระลึกถึงลมหายใจอยู่เรื่อยๆ เดี๋ยวเดี๋ยวก็ระลึกเดี๋ยวเดีวก็ระลึกนะระลึกถึงลมหายใจอยู่เรื่อยๆนะซึ่งการระลึกตรงนี้ก็คือว่าให้อยู่จุดเดียวกับลมหายใจซึ่งถ้าเราเคยคุณหมอแลท่านคงเคยไปดูหนังไหมบางทีเรา<ช><ๆ>ดูหนังแล้วเราก็ได้ยินเสียงไปด้วยใช่ไหมและในขณะที่เราดูหนังได้ยินเสียงเนี่ยเราอยาก จ, จะคิดเรื่องคิดตามเรื่องนะว่าเอ๊ะตอนนี้มันเกิดขึ้นได้ไงอาก่อนหน้านี้พระเอกไม่ใช่เป็นอย่างนี้แล้วมาเป็นอย่างนี้ได้ไงโดยเฉพาะหนังที่เป็นเกี่ยวกับ มีการผูกเรื่องมาเป็นหนังฆาตกรรมมาแรงต่างที่มีปมซ่อนเงื่อนอยู่ะนะแสดงว่าจิตของเราก็ไปคิดเรื่องอื่นด้วยแล้วตาเราก็ดูหนังอยู่งูเราก็ฟังเสียงไปด้วยใช่ไห ม, มซึ่งเป็นลักษณะการทํางานของจิตที่มีความว่องไวสูงเ<ๆ>ช่นเดียวกันกับเมื่อเวลาที่เราระลึกถึงลมหายใจอย่างสมมติเวลาที่เร า, ามาเขียนหนังสือทํางานขับรถเราก็ระลึกถึงลมหาชัยไปด้วยได้ขับรถไปด้วยได้ะน ะ, ะนเพิ่มมันคนละแบบไง นะแล้วก็จิตมีการทํางานหลายอย่างมีการเคลื่อนไหวเกิดดับใ ช, ใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีพูดไปด้วยก็ได้นะบพรุทธายังพูดถึงการกินดื่มพูดเคี้ยวนั่งไปห้องน้ําถอยหน้าเดินหลังใส่เสื้อผ้าพวกนี้รู้ได้หมดพร้อมกับการที่ระลึกถึงลงมหายใจครับนะนะเพราะว่าการรู้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยกับลมหายใจเป็นตัอย่างกันการระลึกถึงลงมหายใจเนี่ยก็หมายความว่าเดี๋ยวเราก็ระลึกถึงเรื่องนี้ อย่างเช่นว่าบางทีเรานั่งอยู่เฉยเนี่ยเราก็ระลึกถึงเรื่องเก่าขึ้นมานะก็เป็นลักษณะเดียวกันเมื่อตอนที่คุณพูดอยู่ทํางานอยู่ขับรถอยู่คุณก็นึกถึงลมหายใจแค่นั้นเอ ง, งมันก็จะเป็นการนึกที่2แบบและส่วนการทําอย่างที่3ซึ่งมีอยู่ในอันดบับมารัาสติสูตรเนี่ยก็คือส่วนที่ปริชาบอกว่าให้ทําการศึกษานะให้ทําการศึกษาในการที่จะรู้พร้อมเฉพาะ ซึ่งกายทั้งปวงอย่างนี้นะซึ่งอันนี้นะเราต้องศึกษาด้วยการปฏิบัตินะบรุษเจ้าจะใช้คําว่าสิกขาสิกขาหรือสิกขังนะซึ่งหมายความว่ า, าทําการสมาทานศึกษานั่นแหละเราจะแปลให้ถูกก็คือเป็นผู้ศึกษาด้วยการปฏิบัตินะคือการปฏิบัติ ม, มันอยู่ในการที่เราจะต้องศึกษาเลยแหะไม่ใช่ว่าศึกษา<อ>แบบให้องเรียนหรือว่าโดยระบบตัวหนังสืออย่างเดียวแต่เรต้องทําด้วยจิตอ๋ออย่างนี้ก็คือเรียนรู้จากจากการ ทำสมาธิการเดจงกรมอย่างนี้เลยแหละครับใช่จุดาย<ำ>ใจการปรับปรุแล้วก็รู้ได้ด้วยตนเองอย่างนี้ใช่ไหมครับคือทําในจิตเราก็ที่จริงการทําในจิตเนี่ยมรดพงศ์เราอาจจะนั่งก็ได้เดินก็ได้นะยังไงก็ได้ทีนี้ประเด็นตรงที่ต้องการจะยกอุปมาอุปไม้ที่ถูกต้องเนี่ยนะคืออย่างเรื่องตะขอเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อาตมา ย, ยกมาเองทีนี้ถ้าจะดูอุปมาอุปไมยของพระพเจ้าเนี่ยพระองค์ยกตัวอย่างเหมือนกับนายทวารเฝ้าประตู คือในทวาเนี mm ่ยอยู่จุดเดียวคืออยู่ที่ในป้อมยามไม่ได้ตามลมหายใจเข้าออกคือไม่ได้ตามคนที่ผ่านเข้าผ่านออกใช่ไหมเหมือนกันกับเวลาที่เราระลึกถึงลมหายใจเนี่ยระลึกอยู่ที่จุดเดียวในขณะเดียวกันเราไม่ได้ตามการอิริบตเคลื่อนไหวของกายไม่ได้ตามความไม่ได้ตามลมเข้าไม่ได้ตามลมออกใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ตามความคิดที่เกิดขึ้นแต่ในขณะที่มีความคิดเราก็ระลึกถึงลมหายใจไปด้วยเหมือนกับป้อมยาม นายทวารเขาอยู่ในป้อมใช่ไหมเขาก็สอดส่อง <Yeah. S 1> ดูใครเข้าใครออกนะ <c oughs> โดยที่ไม่ได้ตามคันกันไป <c oughs> แล้วอย่างที่สามเนี่ยก็คือการที่ทําการศึกษาให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ ต, ตรงนี้ก็คือหมายความว่านายทวารเนี่ยต้องคอยสอดส่อง <c oughs> ดูแลด้วยนะว่าไอ้ที่เข้าที่ออกเนี่ยมันมีปืนไหมมันเอาอะไรมาในกระเป๋ามันมีอะไรเนี่ยต้องมีการเหมือนกับที่เดี๋ยวนี้เขาขับรถเข้ารถออกเนี่ยยามก็ต้องมาตรวจที่ใต้ท้องรถใช่ไหมซึ่งตรงนี้เป็นการที่ ศึกษาไปในทิศทางที่พระเจ้าแนะนำํำเช่นเห็นความไม่เที่ยงมีการปรุงแต่งทางจิตการปรุงแต่งทางจิตระงับลักษณะนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของอนาปานสติเนี่ยจึงมีสิ่งที่เราจะต้องรู้อยู่อย่างน้อยก็สแบบสาแบบละอย่างแรกก็คือการที่ระลึกถึงลมหายใจลมหายใจเพียงเดียวอย่างท<น>ี <ใจ S 2> ่อสองก็คือการที่มีความรู้ตัวนั้นในการหายใจเข้าหายใจออกยืนเดินนั่งนอนพวกนี้ทุกพิริยา บ, บทเลยใช่ไหมครับ แล้วอย่างที่สามก็คือการที่รู้พร้อมเฉพาะในทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่พระเจ้าได้ระบุเอาไว้ซึ่งในที่นี้ก็มีปิติบ้างสุขบ้างใช่การปรุงแต่งทางกายบ้างการปรุงแต่งทางจิตบ้างอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของความรู้ในในอนันตนาสติก็จะต้องมีสามลักษณะอย่างนี้พังกันเถอะถ้าเกิดมีไม่ครบนี่จะเหมือนกับว่ากระบวนการ<ด> มีอย่างเดียวก็พออย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมครับแค่ระลึกแค่นึ่อย่างเดียวอแค่รละลึกถึงลมหายใจพอเลยจบแล้<อ>เพราะอย่างอื่นมันจะตามมาอีกหมดไงก็เหมือนอย่างที่ตรงเนี้ยพุทธเจ้าก็พูดถึงในายทวารไงถ้ารเรามีลมหายใจของเราเนี่ยนะเป็นเหมือนกับที่ที่เราจะระ ล, ลึกถึงอยู่เรื่อยๆนะซึ่งตะขอเกี่ยวก็เป็นเรื่องของตะขอเกี่ยวแล้วกันเราก็มาระลึกถึงลมหายใจอยู่เรื่อยๆนะ ทำอะไรก็ระลึกถึงลมหายใจอยู่เรื่อยๆอย่างนี้นี่ถูกต้องเลยอย่างเดียวพอแล้วอย่างอื่นมันก็จะมาเป็นอัตโนมัติซึ่งมีหลายพระสู ต, ตรคุณหมอรัตพงศ์ที่อยู่ในเรื่องของนิวรณ์บ้างอยู่ในเรื่องอื่นๆที่ไม่ได้พูดเรื่องอนาปานสตินะแต่ว่าบทพยัญชนะที่มาในตอนแรกอย่างเช่นว่าตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าแค่นี้คําว่า ด, ดำรงสติเฉพาะหน้าตรงเนี้ยก็คือแค่นี้เองก็คือหมายความว่าให้เรามามีสติอยู่ นั่นจุดได้จุดหนึ่งในลหมหายใจว่างั้นเถอะเฉพาะหน้านี้ก็ลหมหายใจนั่นแหละในในที่นี้นะอาจจะพูดย่อๆไว้ถ้าจะฟังแบบขยายความก็ไปที่อนาปันาสติสูตรครับอืขออย่างเดียวก็นนเลิศเลยเลิศเลย อ, อย่างเดียวอืมครับมีมีเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับอย่างเช่นขับรถอยู่แล้วก็ถูกปาดแบบปาดกระชั้นชิดีตแล้วเราก็เหยียบเบรกแล้วเราก็คือจังหวะนั้นเนี่ยโกรธครัโกรธนะขึ้นมา กีนเลยแล้วก็เออก็เหมือนว่าที่มีโอกาสได้ฝึกบ่อยๆดูลมหายใจพอนึกถึงลมหายใจปับ๊บอารมณ์โกรธมันวูบไปเลยครับท่าน อ, อย่างนี้อย่างนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ของการดูลมหายใจไหมครับใช่คือเหมือนกับเราจะระลึกได้นะแล้วเราก็จะเหมือนกับคนอยู่ในป้อมยามไม่ตามอารมณ์นั้นไปนายทวารอยู่ในป้อมยามไม่ตามคนนั้นไปในการจิตของเราอยู่กับลมหายใจจิตเราไม่ตามอารมณ์นั้นไปอารมณ์นั้นก็ดับไปทันที อครับก็เห็นเห็นประโยชน์เยอะเลยถ้าสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้ฝึกอย่างเงี้ยก็อย่างเคยเห็นเหมือนกันนะรถสองคันขับปาดกันไปปาดกันมาแล้วผมว่าที่สุดน่าจะลงมาชกกันหรือว่ายิงกันตามที่เป็นขาวนะนึกถึงที่ใช่มันจะเป็นเรื่องกันเนาะเพราะธรรมะเนี่ยถ้าเป็นไปจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยที่มีเนี่ยเพื่อทําให้จิตของเราอ่อนโยนเนี่ยทำให้จริงของเราเบาสบายถ้า เราศึกษาธรรมะรู้ธรรมะแล้วยังต้องมาทุ่มเถียงกันพูดจาให้มีการเสียดแทงกันอันนี้ไม่ถูกเแน่นนถ้ารเราทำที่สิ่งที่ดีได้ทำสิ่งที่ถูกต้องได้ไม่กระทบกระเทือนใครจิตทำแล้วจิตใจเราสบายอันนี้เราควรทำทำถูกครับทีนี้ในเรื่องของประเด็นอนาปัญสติที่จะเพิ่มเติมให้ก็คงจะมีเท่านี้ครับผมก็ขอให้ดูเรื่องอุปมาอุปไม้ที่พระุทเจ้าได้ยกถึงพูดถึงคือเรื่องของ ในทวารแล้วก็การรู้หรือว่าการมาสังเกตลงไปใช้นั้นก็แค่ระลึกเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรมากไปกว่า น, นี้ทีนี้ประเด็นที่เรายครางท่านผู้ฟังอยู่อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของกรรมเก่ากรรมเก่าครับซึ่งกรรมเก่าถ้าเราดูมาดูบทเพียญชนะจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดถึงอาการที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้นะนี่คือกรรมเก่าซึ่งบางคนก็จะมีการในวงเล็บว่าคือกายนี้ กายนี้คือกรรมเก่าใช่ซึ่งจริงๆแล้วกายนี้คือที่อยู่ในวงเล็บที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจได้ถูกซึ่งทําให้บางคนไปเข้าใจว่ากายก้อนนี้เนงคือกรรมเก่าซึ่งจริงๆไม่ใช่กรรมเก่าจริงๆเนี่ยคือการที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้ทีนี้คุณจะรู้สึกต่ออารมณ์ได้คุณก็ต้องอาศัยกายไงใช่ครับใช่ไหมอ่าเป็นเป็นมายตนะอาศัยใช่เพราะฉั้นบางคนจึงเข้าใจว่ากรรมเก่านี่คือกายซึ่งจริงๆแล้วกรรมเก่าเนี่ยคือการที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้ เช่นเรารู้สึกต่ออารมณ์มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ความที่คุณไปรู้สึกต่ออารมณ์เนี้การที่เราจะไปบริโภคอารมณ์นี้ได้คือกรรมเก่าเอา อ, อย่างง่ายๆ อ, อย่างเช่นว่าเศรษฐีคนหนึ่งแต่เขามีเงินมากจริงๆในสมัยวุฒิการมีอยู่คนหนึ่งนะมีเงินเป็นวหลายหมื่นโกดบางกันเถอะอาจจะเปรียบที่เป็นปัจจุบันก็คงจะสามารถหลายพันล้านเขาก็แต่เขายังมีความยึดมั่นในเสื้อผ้าเก่า รถเก่าๆอาหารแบบก็เอาอะไรก้อนกรวดมาคุกเกลือแล้วกินกับข้าต้อมอย่างเงี้ยนะเขาไปมี<ส>ความเสพอารมณ์นี้ไปมีความพอใจในอารมณ์นี้ทั้งทั้งที่เขารวยแสดงว่าอันนี้เป็นกรรมเก่าของเขากรรมเก่าไม่ได้กายนี้ก ร, รรมเก่าไม่ใช่เงินเขาแต่เป็นการที่เขารู้สึกต่ออารมณ์นั้นได้เเพราะว่ากรรมเก่าที่เขาถวายทานไปแล้วกลับมาเสียดายในทานที่ได้ถวายไป่จึงทําให้เขา ไม่ยินดีในผลเงินที่ตัวเองมีในกระเป๋าออเช่นเดียวกันอย่างนี้เหมือนอืเหมือนกับว่าเขายึดติดในสัญญาอย่างนี้ไหมครับท่านมีสัญญาสัญญานี้มันก็คือเป็นมาทางอารมณ์ไงมาทางตางหูจมูกลิ้นกายใจครับคือเมื่อมีผัสสะแล้วจึงมีสัญญาถูกไหมใช่ครับเมื่อมีผัสสะแล้วจิตย่อมคิดย่อมนึกย่อมรู้สึกเพราะฉะนั้นไอ้ความไอ้ความ จำได้หมรู้เมื่อมีผัสสะแล้วจิตย่อมจําได้หมายรู้ย่อมรู้สึกย่อมคิดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นการจําได้หมายรู้ตรงนี้ที่หมอนนทวงศ์พูดถึงสัญญาเนี่ยก็คือมาจากหลังผัสสะผัสสะคืออะไรผัสสะนี่คือสิ่งที่จ ะ, จ ะ, ะก่อให้เกิดอารมณ์ได้เพราะฉะนั้นอย่างพระอารหันต์เนี่ยที่กรรมเก่าทําอะไรท่านไม่ได้ เ, เพราะว่าอะไรเพราะว่าอารมณ์ใดๆที่มากระทบท่านไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านปล่อยวางได้หมดมันมากระทบไม่ได้ ฉันไม่คิดเคยจึงต้องบอกว่ากรรมเก่าเนี่ยทำอะไรท่านไม่ได้แต่ว่าโดนไหมโดนถูกด่าไหมถูกด่าได้ยินไม่ได้ยินถ้าเคยถวายทานมาตัวเองจะมีลาบสการะไม่มีมีเงินไม่มีแต่ว่าไม่ยึดติดในสิ่งนั้นอารมณ์นั้นมาถูกก็ปล่อยวางได้ไม่รุ่มหลวงมัวเมาใช่ไหมแล้วก็ไม่กระแฟกระฟิตหรือว่ามีเหตุที่ไม่พอใจได้อย่างเงี้ย นี่คือลักษณะของการที่มีกรรมเก่าในบุคคลทั่วไปแล้วก็การที่พระอาหารหันต์นั้นจะพ้นจากกรรมเก่าได้ซึ่งการที่บุคคลในบุคคลหนึ่งตรงนี้ทำให้อัต ม, มามามองประเด็นนี้ไงหมอรัตพงศ์ว่าเวลาที่เราทำกรรมใดสกรรมใดกรรมหนึ่งนะการกระทาใช่ปะ่ะการกระทานั้นๆเนี่ยมันจะต้องให้ผลนะไม่ว่าจะให้ผลมากให้ผลน้อยอันนี้เป็นพุทธวจนะอยู่แล้วนะ ที่ว่าการกระทำใดๆก็จะให้ผลทีนี้ว่าที่เราเคยมีคําพูดอย่างเช่นว่า เ, เราต้องการจะไปนิพพานให้เดินทางลัดอะไรต่างๆเนี่ยนะทําให้มีความคิดกันไปต่างๆนานาทางลัดนี่ก็อาจจะเป็นการสวดมนต์บ้างให้ทานบ้างอะไรต่างๆซึ่งก็ต้องบอกว่าทางที่จะไปสู่นิพพานนี่ก็เป็นพุทธวจนะอีกเหมือนกันว่ามีทางเดียวคือทางอริยมรรคมีองค์แปดถ้าคุณเดินออกนอกมรรคก็ถือว่า ออกนอกทางล่ะแต่คือไม่ได้<ต>อยู่ในทางอย<ต>่างเช่นถ้าข่าสัตรูซับอันนี้คือออกนอกมครคเลยใช่ไหมแต่ทีนี้ว่าถ้าเรายังอยู่ในทางแต่ทําอย่างอื่นอย่างเช่นให้ทานอย่างเงี้ยบางคนอาจจะบอกว่าให้ทานนี่นะทําให้ไปนิพพานไม่ได้แม่พูดอย่างนั้นมันก็ยังอยู่มันก็พูดไม่ถูกนะเพราะ Tight, าว่ามันก็ยังอยู่ในมรคใช่ไหมคืออย่างน้อยอย่างพระอรหันต์อย่างเงี้ยสองรูปในรูปหนึ่งก็เป็นพระอรหันต์อีกรูปหนึ่งก็เป็นบารหันแต่พระอรหันต์องค์แรกเนี่ยไม่ได้ให้ทานไว้ นะเพราะฉะนั้น<ม>ท่านก็จะเป็นผู้ที่ไม่มีไม่มีลาบสกาับสก ARA <ะ>นะจีวันก็ใส่ชีวันแบบธรรมด า, ขา ด, ข, าดขาดบ้างอะไรบ้าง<ค>ใช่ไหมอาหารกินก็<ะ>อาหารกินแบบธรรมดาแต่ถ้ารูปที่สองเคยให้ทานไวนะ้ท่านก็จะเป็นผู้ที่มีลาบสการะอาหารอาจจะดีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มจีวันอาจจนะดีซึ่งจึงต้องบอกว่าการกระทาําใดๆก็ตามที่อยู่ในมาร์กเนี่ยมันต้องให้ผลแน่นอนอแต่ไม่ว่าะจะเป็นผลที่ เ e, e, e, กิดขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอืครับอย่างเช่นว่าเราเราอ่านหนังสือธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยจะเป็นเรื่องราวต่างๆอาจจะไม่เกี่ยวกับธรรมะก็ได้แต่เป็นสิ่งที่อยู่ในสมาธิิอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นว่าเชื่อว่าบุญคุณพ่อแม่มีเชื่อว่าเทวดามีพวกเนี้ยพวกนี้ก็จะเป็นความรู้หมวดหนึ่งที่ mm hmm. ที่เราจะได้ซึ่งอาจจะทําให้เมื่อเป็นบรรลุปเป็นพระอรหันต์แล้วอาจจะมีความแตกชันในธรรมะที่ไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะให้ผลเกิดขึ้นได้ หรืออย่างยกตัว อ, อย่างสมมาสัมพุทธเจาเราอะ่ะสมณคดมใช่ไ้มห ม, หมรอรัตพงศ์ที่มีสมัยหนึ่งที่พระพุทธเจ้าชื่อทีปังกรไหมที่มาพยากรณ์ว่าสมณโคดมเนี่ยตอนนั้นเป็นอะไรสุมเมธาดาบดใช่ไหมจะได้เป็นสมาสัมพุทธะเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าคือสุมเมธาดาบทในตอนนั้นเนี่ย เ, เปลี่ยนความปรารถนาชันไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้อาจจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ได้ถูกไหมใช่ครับแต่ด้วยความที่อ่ะปรารถนาที่จะ ตั้งความเปลี่ยนไวในการมาเป็นสมาสมพุท t h าซึ่งความเป็นสมาสัมพุท t h าเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติหลายอย่างที่ไม่เหมือนกับพระอรหันต์เหนือกว่านะถึงแม้ว่าจะเสมอกันที่วิมุตต์ก็ตามแต่ว่าการกระทํานั้นๆของพระองค์ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งสี่อะไรสี่อสองไกรแสนมหาขับเนี่ยมันให้ผลหมดนะไม่ว่าจะเป็นความสามารถในเรื่องการแตกฉันในธรรม ะ, นะสมาธินะสมาบัติขั้นต่างๆเนี่ยมันให้ผล มันจึงมีความสามารถในการบอกสอนบ้างความสามารถในการที่จะรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้แตกฉันในธรรมะซึ่งซึ่งจริงๆทุกอย่างจะให้ผลนะ่ะบางนั้นเถอะสิ่งที่จะไม่ให้ผลเนี่ยไม่มีนะในเรื่องของกรรมอื ร, รพิ้งแต่การให้ผลนี้ขึ้นกับเวลาด้วยไหมครับท่านรอขึ้นกับเหตุ ป, ปัจจัยอะไรบ้างก็จะมีเหตุปัจจัยหลายอย่างนะขึ้นกับเวลาขึ้นกับความดีของบุคคล น, นั้นที่สั่งสมเอาไว้ ขึ้นกับความหนักเบาของกรรมที่ทำแล้วก็ขึ้นกับประเภทของกรรมที่ทำด้วยถ้าเป็นกรรมหนักกรรมเบากรรมที่ให้ผลก่อนให้ผลหลังอย่างเงี้ยก็จะมีผลทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นจิงให้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับทำดีทำซักให้ทำทำมากทำน้อยก็เอากอให้อยู่ในแต่ไม่ต้องหวังผลใช่ไหมไม่ต้องหวังผลทำดีไปเรื่อยใช่ครับ หวังหรือไม่หวังก็ได้แน่ละ่ะนะผลจะออกมากออกน้อยก็ยังไงก็ยังได้แต่ขอให้ทำนะอย่าให้ใหมีความาท้อแท้ท้อถอยให้สู้ต่อไปให้ทําต่อไปว่างั้นอครับเพราะฉะนั้นจึงต้องให้ท่านผู้ปฏิบัติหรือว่าผู้ที่ฟังรายการเนี่ยได้ทราบว่าธรรมะเนี่ยนะหมอรัตพงศ์อยู่กับใครมันก็ดีครับอยู่กับลูกน้องก็เป็นลูกน้องดีอยู่กับหัวหน้าก็เป็นหัวหน้าดี ใช่หมอยู่กับลูกก็เป็นลูกดีอยู่กับพ่อแม่ก็เป็นพ่อแม่ดีกว่าครูก็เป็นครูดีครับอยู่กับนักการเมืองก็เป็นนักการเมืองดีอืมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องที่อยู่ในวัดไม่ได้เป็นเรื่องล้าสมัยไม่ได้เป็นเรื่องที่เขาเลิกพูดกันแล้วสําหรับคนแก่หรือเป็นเรื่องที่สูงเกินไปฉันเอื้อไม่ถึงหรือเป็นเรื่องที่สําหรับคนคลื้คนล้าสมัยเขามาทํากันไม่ใช่อืมออยู่กับใครใครดีเอาอย่างสุนัขกหมารัตวงขอโทษดีเถอะถ้าสุนัขเนี่ยมันยัง มีคุณธรรมอะไรบางอย่างที่เป็นธรรมะนะเรายัางยกย่องมันอย่างเช่นความกระตันยูใช่คไหมความซื่อสัตย์กระตันยูรู้คุณเจ้าของอย่างเงี้ยเรายัางยกย่องสุนัขว่ามันมีคุณข้อ น, นี้นี่เป็นธรรมะนะขนาดสัตว์เดรัจฉานเนี่ยบางทมีมันแสดงออกซึ่งความกระตันยูเนี่ยบางทีมันก็เต็มบ้างขาดบ้างเกินบ้างใช่มไหมหมาบางทีเล่นกับมันมากมันก็มาเลียปากเรามันไม่รู้ที่ต่ำที่สูงเงี้ยนะมันก็เกินบ้างขาดบ้างเราก็ยังยกย่องมันในฐานะที่มันทําความดีได้ ทีนี้มนุษย์เราเนี่ยแหมยิ่งควรจะต้องมีธรรมะไม่ใช่เฉพาะแค่อยู่ในวัดอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานอยู่ในรถอยู่ทุกที่เลยคุณต้องมีธรรมะหมดครับทีนี้ว่าทีนี้ว่าประเด็นบางคนอาจจะแบบเข้าใจว่าโอ้ที่บอกว่าให้ละหมดทุกอย่างทุกอย่างปล่อยวางอย่าไปสนใจงี้จะทํางานยังไงก็ยังไม่เข้าใจไงอยังไม่เข้าใจว่าธรรมะที่พระเจ้าสอนเนี่ยคือสอนในทุก ทุกๆอย่างเลยใช่ไหมครับสอนตั้งแต่เรียกว่าสักเบอือยันเรือรบใช่ครับมีคนเคยปฏิบัติว่าธรรมะนี่เหมือนกับ 7-11 มีขายหมดตั้งแต่ <laughs> คือไม่ใช่7ซอย่างเดียวอีอย่างเดียวนะยังเอา 7-11 เนี่ยมารวมกับแมคโครโลตัสแล้วก็บวกกับบิ๊กซีด้วยอ๋อรวมกันหมดเลยมีขายทุกอย่างตั้งแต่ไม้ชิ้นฟันยันเรือรบเพ ร, 2, ราะฉะนั้นคำสองพระเจ้าเนี่ยมีหมดตั้งแต่ให้ขยันทางานใช่ให้มีความรู้จักดูแล เอขาเรียกว่าอะไรคู่ครองนะอย่านอกใจเมียเนี่ยพรุทธเจ้ายังแนะนําให้ผัวเนี่ยหาซื้อเครื่องประดับให้คิดดูแลกันครับเอหรือว่าผัวเนี่ยเมียเมียเนี่ยพระุทธเจ้าก็ยังแนะนําให้เป็นผู้ที่คอยเก็บรักษาทรัพย์ดูแลการงานที่บ้านอย่างดีอย่ขาดอย่างนี้นะให้เป็นใหญ่ในในบ้านในนบ้าอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นกลับบ้านในเมียใหญ่สุดบางัันต์เตอรับอันนี้ก็พระพุทธเจ้าสอนในขณะเดียวกันก็สอนให้คนหลีกออกจากกรรม ไมันเหมือนกับขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงแล้วหมายความว่างไงมอมันก็จึงต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมะเนี่ยมีสองวิสัยคือคารวะวิสัยกับสมณวิสัยอืระดับจะสูงขึ้นคา ร, รวะวิสัยเนี่ยก็ต้องมีการขยันทำมาหากินนะแล้วก็เลี้ยงดูพ่อแม่กตัญญูกตากเบี้ยทีใช่ไหมอันนี้ ค, คือที่พระเจ้าสอนในขณะเดียวกันก็มีอีกวิสัยหนึ่งคือคนที่แบบเอาละชันเต็มที่ละมาเป็นสมณวิสัยเอางั้นคุณออกจาก ออกจากเรือนมาบวชและมีบาทใบเดียวมีจวันแค่สามผืนอย่างอื่นไม่เอาอย่างนี้นะมาอยู่ตามป่าตามคนไม้แทนอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นจึงสอนที่ครบถ้วนหมดงั้นเราก็เลือกเอาเสียะไนมีเปรี่ยวกับเราเราก็เอานะให้เรามีธรรมะน้อยก็เอามากก็เอาอย่าให้ขาดลมหายใจคุณมีอยู่ตลอดไหมมีใช่ไหมตลอถ้ามีก็ให้มีสติตอยู่ให้เป็นประชานาติครับรู้ตัวทุ่งพร้อมอยู่อย่างเดียวไม่ใช่ไหมบ้าง แบบเป็นหลับตาเป็นสโตสติอย่างเงี้ยเขาก็จะด่าว่าเราได้ใช่ครับใช่หให้เป็นสติแบบปัญชาสติหรือว่าสิกขามิติก็ได้อย่างเงี้ยแบบเรียกว่าคล่องคล่องตัวยืดหยุ่นได้ใช่ใช่ใช่ก็จะค่อย ค, อยคอยพัฒนาไปนะสิกราจะสูงขึ้นคนมีธรรมะก็เป็นคนดีอ่ะคิดดูอย่าง ค, คนคนแก่เงี้ยนะหมอฤทธพง์ครับออไม่มีความสวยงามอะไรที่ควรจะยกย่องได้ใช่ครับใช่แต่ถ้าคนแก่คนไหนเนี่ยไม่มีธรรมะเนี่ย ลูกหลานไม่อยากเข้าใกล้นะใช่ครับเอไม่มีศีลอยู่ๆก็ด่าด่ากราดอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่มีธรรมะคําแนะนําอะไรก็ใหม่ให้ว่ามีแต่ลูกหลานนี่เขาจะเอาไปไว้ที่บ้านพักคนชราครับจะหนีห่างอ่าหนีห่างไม่ไปหาอะไรต่างมันก็จะเป็นการยากกัท่านล่ะครับเออันนี้คือที่อธิบาีพูดนี้ตะกี้ขอโทษด้วยนะต้องบอกว่าเราต้องเลี้ยงดูมาดาบิดาอย่างดีใช่ครับอย่าเอาไว้บ้านพักคนชราหรือจะไว้บ้านพักคนชราก็ควรจะต้องเลี้ยงดูอย่างดีก็แล้วกันครับ แต่ว่าถ้าเป็นมารดาบิดาที่หรือเป็นคนแก่ที่เ อ, อมีศีลธรรมนะมันจะเหมือนกับมีเขาเรียกว่าแหละรัศมีออกมาจากตัวนะที่ทําให้มีความสดใสขึ้นมาเนาะครับนะครับขณะว่าผิวพรรณไม่ได้มีอะไรที่จะสวยงามให้ดูได้ต่อไปใช่ไหมลูกหลานก็อยากเข้าใกล้มีธรรมะมีความเมตตามีความรักมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่จะสําหรับคนแบบล้าสมัย อะไรต่างๆเราต้องควรจะต้องมีอยู่ตลอดเวลาครับขษณะนี้วันนี้มีคําถามจากที่ตอนที่สามสิบสามนะครับท่านจะขออนุญาตถามได้เลยได้ไครับครับได้เลยจากท่านที่ใช้นามว่าผู้ศึกษาปฏิบัตินะครับก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของอานาปนสติท่านบอกว่าอานาปนสติแบบตะขออก็คือข้อหนึ่งในการฝึกปฏิบัติที่ทําอยู่เนี่ย ถ้าดูลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยมักจะง่วงก็เลยลองใช้วิธีดูลมสลับการคิดถึงคุณธรรมของอริยบุคคลผู้ร่งรับไปแล้วเช่นครูบาอาจารย์หรือว่าเนี่ยครับที่เรารักและเคารพนับถือพบว่าทำให้เกิดสุขใจเบิกบานแล้วก็กลับมาพยายามดูลมต่อพบว่าจะนั่งสมาธิได้นานขึ้นและเห็นครับ ก็คือตอบตรงนี้ก่อนเลยบอกว่าถ้ามีจิตฟุ้งซ่านหรือว่ามีจิตที่มีการกวนๆอยู่มีนิวรณ์กวนอยู่อพุทธเจ้าก็ให้ระลึกถึงนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งในกรณีของกู้ศึกษาปฏิบัตินี้ก็คือว่าครูบาอาจารย์หรือว่าผู้ที่ลงรับไปแล้วให้นั้นน่ะเป็นนิมิตแห่งการที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อจิตสงบแล้วเราก็มาอยู่ละนิมิตนั้นเสียแล้วก็มาอยู่กับลมหายใจต่อไปก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว อ๋อครับเราบอกว่าถ้าเห็นลมสลับกับสุขที่เกิดจากการนึกถึงอาริยบุคคลเนี่ยหรือนึกถึงอุเบกขาแต่ว่าไม่เคยมีปิติก็เลยถามว่าปิติเนี่ยจำเป็นไหมสําหรับการทําให้จิตเนี่ยตั้งมัน่นหรือจําเป็นต่อาการบรรลุธรรมหรือไม่สิ่งที่จำเป็นต่อาการบรรลุธรรมนั้นคือสติ นันทางอันเอกคือสติเพราะฉะนั้นให้มีสติก็พอเพราะฉะนั้นจึงบอกไงว่าไอต้ตะขอที่เราเกี่ยวเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเอาทุกอันไปเกี่ยวครับเราไม่จำเป็นต้องเอาทุกอันไปเกี่ยวก็ก็แล้วกันครับก็ให้มีสติรู้กับลมหมายใจที่ผ่านเข้าออกนะครับใช่ใชครับอบ่โอเคก็ข้อสองคือตั้งใจรักษาสี่ห้ามาหลายปีและก่อนนอนตั้งใจว่าจะพยายามนั่งสมาธิทุกคืนก็ทําได้แต่ได้ไม่นาน คืตั้งแต่5นาทีจนถึงครึ่งชั่วโมงแล้วแต่แต่ผู้ถามรู้สึกว่าเวลาที่ใช้นั่งสมาธิน้อยเนี่ยแต่ในระหว่างการนั่งเนี่ยพยายามมองให้เห็นการเกิดการดับให้เห็นการเปลี่ยนการรับรู้ของจิตจากรู้ลมไปรู้ความคิดบ้างไปรู้ความรู้สึกบ้างเห็นให้ได้สักครั้งหนึ่งก่อนที่จะเลิกนั่งสมาธิก็คือ อคำถามนี้ก่อนนะครับคเอาคือเอาตัวอย่างคือได้ h a l นาทีก็ดีเนาะได้ h นาทีก็ได้ h a l นาทีก็ดีแล้วครับได้สิบนาทีก็คือเป็นสิ่งที่ดีควรกระทําอ่ำทีนี้ว่าอให้เห็นสักครั้งหนึ่งก่อนเลิกนั่งสมาธิหรอครับเห็นการเกิดดับเนี่ครับให้เห็นใช่ไหมผมเพิ่เห็นระดับนั้นก็เป็นบ้าหลานแล้วนะมาว่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือการถ้าเราเห็นการเกิดดับแม้แต่ครั้งเดียว แม้แต่ครั้งเดียวขอเถอิดคุณเป็นพระหลานเลยอืมครับเพราะว่าถ้าอรหันในช่วงสั้นๆนั้นใช่ไหมครับก็เพราะว่าจริงๆถ้าคุณคุณเห็นครั้งเดียวใช่ป่ะครับคือการบรรลุมันไม่ได้อะไรมากมันแค่ขนาดจิตเดียวอ๋อครับจะพูดขนาดจิตเดียวก็ไม่ถูกจะพูดสองขนาดจิตก็ไม่ใช่มันครึ่งขนาดจิตเอา้าเพราะว่ามันแค่ระหว่างจากระหว่างาขนาดจิตนึงไปอีกขนาดจิตหนึ่งคุณปล่อยวางได้พว่าตรงนั้นนั่นคือเห็นเกิดดับอ่านั่นคือคมีสติเต็มที่แล้วนะโอ้โห สุดยอดเลยอ mm hmm. แต่ถ้าที่เราเห็นเนี่ยเระบอกมันหางอึงยิง mm hmm. เราทําการแค่ทําการศึกษาฝึกฝนให้พยายามเห็นนะค่อยๆทําไปค่อยๆทําไ ป, อ ย, อ, ยไปอย่างเงี้ยดีแล้วทําจิตให้สงบทำจิำตให้สบายไม่ต้องเครียดรัดไม่จำเป็นต้องบังคับว่าฉันต้องเห็นหรือฉันต้องไม่เห็นเอาแค่ mm hmm. okay, ว่าจิตคุณเป็นสมาธิไหมจิตคุณสงบไหมจิตคุณเบาไหมะจิต ค, คุณไม่มีนิวรณ์ใช่ไหมจิตคุณที่ไม่มีความกังวลใดๆทั้สินั่นน่ะดีมากแล้วจออยู่แล้วที่ประตูแห่งนิพพานอันเป็นอัตะ อย่าไปตั้งเป้าไม่ต้องตั้งเป้าเลยตั้งเป้าเราจะกังวลครับใช่ไหมเราบีบอะไรนะจับนกมาเนี่ยอย่าไปบีบเขาแรงค่อยๆจับแต่ว่าอย่าปล่อยมากเกินไปเดี๋ยวมันหนีไปได้ใช่ค่อยๆทําไปอย่างนี้นะพอดีพใช่ไหมครับใช่ใช่ครับมีคําถามต่อว่าในระหว่างวันเนี่ยบางวันไม่มีสติเลยก็คือเตลิดเปิดเปิงไปกับเรื่องงานบ้างเรื่องอย่างอื่นๆนะครับแต่บางวันก็มีสติ พอมีสติก็พยายามทำความรู้ตัวและพยายามละอคุศลที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะความคิดที่จะจับผิดคนอื่นก็เลยผู้ถามก็เลยรู้สึกว่าเหมือนมีความเหมือนกับมีความก้าวหน้าคือพอเหมือนกับว่าพอพอมีความรู้ตัวก็ก้าวหน้าแล้วก็พอไม่รู้ตัวก็ถอยหลังเข้าใจประมาณนี้นะครับแต่เคยได้ยินมาว่า ให้วัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติธรรมโดยดูว่าอคติส่วนในจิตลดลงความยึดมั่นถือมั่นลดลงใช่หรือไม่ครับความก้าวหน้าของการปฏิบัติธรรมก็คือดูที่เราสามารถวางอารมณ์ได้เร็วขึ้นหรือไม่ครับนี่คือความก้าวหน้าครับคือคือตรงที่วางอารมณ์ได้เร็วขึ้นหรือไม่มันก็เป็นตัวบ่งบอกว่าคุณยึดถือมากหรือยึดถือน้อย ่ยึดถือในอะไรบ้างยึดถือในอรุศนยึดถือในสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นก็ที่ที่คุณผู้ศึกษาปริบัติพูดมาก็ถูกในทีนี้ว่าจะวัดถามว่าอรุศสุขนจิตจะวัดยังไงอะวัดเป็นตัววัดเป็นเม็ดหรือว่าเป็นน้ําหนักใช่ไหมหรือว่าความยึดถือในจิตเนี่ยวัดยังไงวัดเป็นตามความเหนียววัดเป็นตามความยืดหรือว่าค่าเคใช่ไหมมันก็ต้องวัดที่การปล่อยวางอะไรอร์เวลาล้วกันวัดที่เวลาล้กันที่พอจะวัดได้เอาในนี้การมันจับเวลาดู ก้าโกรธก็โกรธแค่ไหนถ้ า, ถาหมายว่าเคยโกรธครึ่งวันก็มาเหลือสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วเรื่องที่ว่ามีสติทั้งวันไม่มีสติทั้งวันก็ต้องถามว่าคุณมีประชานาติไหมมีสติรู้รตัวรอบครอบในแต่ละวั น, นก็ดีดีก็เป็นสิ่งที่ดีหรือว่าบางคนเนี่ยมีสติแบบสโตนะทำงานไปไม่รู้ตัวมีสติแบบสโตอย่างเงี้ยก็มีนะคือขับรถ หลงเลยบ้านแรงแ ต, แต่มีสติตลอดก็มีนะถ้าเราจะพูดบอกว่าเขาไม่มีสติเนี่ยก็ก็ไม่ได้ก็กอาจจะมี ร, ระดับไหนก็เอาสักอันหนึ่งแล้วกันก็มีก็ดีทางนั้นครับอืมครับมีคําถามต่อเนื่องข้อที่สามก็คือเรื่องการเชื่อมโยงพระสูตรช่วยเปิดธรรมที่ถูกปิดได้ดเีเมื่อประกอบกับการปฏิบัติด้วยตนเองเช่นตัวผู้ถามเองเคยสงสัยว่าเมื่อจิตปราโมทมีลักษณะเป็นอย่างไร ก็พอดีได้ฟังพระสูตรที่ระบุว่าเมื่อจิตไม่เกลือกลั้วจิตย่อมปราโมทดังนั้นในขณะที่นั่งสมาธิก็พยายามให้อยู่กับลมหรืออุเบกขาหรือสุขแต่ไม่ให้เกลือกลัวกับอากุศลไม่แน่ใจว่าจะถูกต้องหรือไม่ครับคือที่เกลือกลัวนี่หมายถึงไม่เกลือกลัวกับอารมณ์ที่มันเข้ามาสลบกับอกุศลนี่อาจารย์กำลังพูดถึงว่าครับที่ประเด็นที่ว่าไม่ให้เกิดกลั้วเนี่ยคือไม่ให้เกิดกลัวกับ อกุศลไอ้ไม่เกิดกู้กับอารมณ์ที่ก็มากระทบจะเป็นอารมณ์ที่พอใจหรืออารมณ์ที่ไม่พอใจก็แล้วแต่อารมณ์ที่พอใจหรืออารมณ์ที่ไม่พอใจก็แล้วแต่จริงที่เราต้องการคือสมาธิสิ่งที่เราต้องการคือทำที่ปรากฏนะจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ประโมดอยู่พอประโมดแล้วทำทั้งหลายก็จะปรากฏนี่คือจุดที่เราต้องการทีนี้ว่าจะทำทั้งหลายปรากฏจิตคุณต้อเป็นสมาธิจิตคุณจะเป็นสมาธิคุณไม่มีอกุศลแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ อย่าให้จิตมันไปไหลไปตามอารมณ์ก็แล้วกันครับเอเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาทําอย่างนี้ได้คุณต้องมีสติอ่ะคือเราจะไปเลือกว่าอันนี้เอาอันนี้ไม่เอาเนี่ยเรารักษาจิตยอย่างเดียวครับโอยมันจะเลือกได้ไงมันเร็วมากนะใช่ครับเอบางทีแค่เราก้าวไปก้าวหนึ่งเนี่ยความคิดสองสามความคิดเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่รู้ตัวครับบาง<ม>าคนอย่างเงี้ยก้าวข้าข้ามธรณีประตูมาอย่างเงี้ยรู้ คือกูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยอ่านว่าอ่านวารจิตได้ซึ่งเจ้าของตัวเองยังไม่รู้เลยว่าตัวเองคิดอะไรอืมจิตมันเร็วขนาดนั้นบางทีเราไปคิดถึงบ้านแล้วก็คิดถึงว่าเมื่อวานนี้กินอะไรมาเสร็จแล้วก็กลับมาอยู่ที่กุญแจอยู่ที่ไหนเปิดประตูแล้วเข้ามาแล้วก็ลืมไปละครับใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องอสสาศัยสิ่งที่เรียกว่าสติที่<ถ><ถ>ทําให้อ่าเป็นผู้ที่ก็เรียกว่าอะไรล่ะอยู่กับสิ่งเดียวยอ่าให้จิตไม่ไหลไป ตามอารมณ์ที่นู่นที่นี่ครับครับก็ทีนี้ก็คําถามต่อไปเกี่ยวกั บ, บจากคุณอํานวยรายไม้เอ้ยขอไปคุณดอกไม้ยาดอกไม้ยาครับท่านคือถามถึงกรณีของผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์หรือผู้ป่วยสูงอายุทั่วไปที่มีความจําเลอะเลือนโดยก่อนที่จะเกิดสภาวะโรคเหล่านี้เนี่ยผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอดเลย แต่ยังไม่ถึงอรหัตผลทีนี้ในวาระสุดท้ายของบุคคลเหล่านี้เนี่ยคือหลังจากที่เป็นโรคอัลไซเมอร์หรือความจําเลอะเลือนแล้วเนี่ยบุคคลเหล่านี้จะมีโอกาสได้บรรลุมรรคผลเข้าถึงอรหัตผลได้หรือไม่แล้วก็ในฐานะที่อันนี้คือคําถามหนึ่งนะฮะหรือไม่แล้วก็ในฐานะทีะ่ผู้ถามเนี่ยดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้เนี่ยเราจะช่วยนําท่านให้ถึงธรรมะสูงสุดได้อย่างไร mm. ครับ ถ้าตอบโดยหลักการพระพุทวชนะอาการป่วยที่จะทําให้คนที่จะไม่สามารถเข้าบรรลุมรรคผลนิพพานได้นี่นะที่พระพุทธเจ้าได้ระบุไว้ก็มีแค่ห้าอย่างคืออนันตระยะกรรมห้าเท่านั้นเองแหละอ๋อครับเพราะฉะนั้นถ้าบุคคล น, นี้คุณป่วยคนนี้ไม่เคยฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าบาราหันทําสงให้แตกกันหรือว่าทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดอก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ออื่อครับ แล้วก็ถามว่าผู้ดูแลต้องทอํายังไงก็ให้ฟังธรรมะเรื่อยๆอย่างหูอย่างเงี้ย ค, คือจิตเนี่ยนะมันมันคนละเรื่องกับสมองคนละเรื่องกับระบบประสาทสมองระบบประสาทเอาง่ายๆถ้าคุณไม่รู้ภาษาเกาหลีคุณไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะคุณจะไป็ผู้ภาษาเกาหลีคุณผู้ภาษาญี่ปุ่นก็แบ๊แบออกมา ค, คนที่เขาเป็นคนเกาหลีคนญี่ปุ่นเขาฟังคุณก็คิดว่าคุณเป็นคนบ้าแล้วคุณก็คุณเป็นคนอัลไซเมอร์ เพราะว่าคุณไม่รู้แล้วคุณพยายามจะพูดแล้วมันก็ไปไม่ได้ใช่ไหมในขณะเดียวกันถ้าเรามาพูดภาษาไทยโอ้โหคล่องปรื้ออ้อาวทาไมอ่ะทําไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าระบบประสาทหรือว่าข้อมูลในสมองของเราที่เกี่ยวกับภาษานั้นเราไม่มีเช่นเดียวกันของคนที่ถูกระบบอ่าประสาทมีปัญหาอย่างเงี้ยเขาจะพูดเขาจะทําอะไรมันมันมันติดขัดอ่ะแต่จิตต่างหากมันเหนือกว่านั้นอืมจิตมีอํานาจเหนือสมองแล้วก็ความจำใช่ใช่ไหมครับถูกต้อง เพราะฉะนั้นถ้าเราให้เขารับรู้รับทราบข้อมูลเปิดทําไมให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะไม่ด่ากันไม่ว่าการยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอมีเมตตาจิตเขาทำอะไรเลอะเทอะบ้างก็ช่วยดูแลกันไปอย่างนี้นะเราสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีใช่ไหมให้มีภาษะดีๆ เ, ออเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นไปในทางดีนะเปิดธรรมให้ฟังด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเรื่องของอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยนะหมอรัตพงศ์ดูบอกได้เลยว่าเป็นกรรม Oh. มะเร็งรอย่างนี้เป็นกรรม ค, รคือโรคผลอันเกิดจากเขาเรียกว่าทุกเวทนาอันเกิดจากผลของกรรมเนี่ยมันแก่ยากยัยงไงก็ mm hmm. คงต้องรับไปแล้วกันแล้วก็ช่วยกันดูแลเนาะให้ให้เรียบร้อยก็แล้วกันเนาะ ค, คิดว่าวันนี้ก็ได้ตอบคำถามหมดทุกอย่างรเรื่องที่คงจะต้องทิ้งไว้สาหรับในการพูดคุยคราวหน้าก็คือเรามีประเด็นที่จะ พูดถึงเรื่องเรื่องของจิตในลักษณะที่ว่ามันทำงานรวดเร็วอย่างไรแล้วก็จะบ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่างสมองกับจิตว่ามันทำงานอย่างไงโดยจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ทำแบบฟึงก์ัดไปด้วยพร้อมๆกันในข่าวหน้าครับข่าวหน้าจะเป็นเอพิโซดที่เท่าไหร่นะสาิบห้าครับเอพิโซดที่สาสิบห้าครับก็จะเป็นเรื่องของการทำงานของจิตสมองแล้วก็ ความแตกต่างกันตรงนี้แล้วก็จะให้ทำเอ็กซ์ไซส์นะที่จะต้องให้เข้าใจว่าโอ้จิตมันก็อย่างหนึงสมองก็อย่างหนึ่งครับครับครับแล้วก็เราก็จะค่อยมาพบกันใหม่ในเอพ s o d e ที่ส5มสิบห้าเอพซที่สาในตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนครับถ้ามีคำาถามก็ท่านผู้ฟังก็ส่งมาที่เพียวธรรมะ .com นะครับครับครับตอนนี้ก็ขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูลอภิพุนโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกครับเรียนบน